บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปปัจจัยแห่งนามรูปหรือปัจจัยที่ให้เกิดนามรูปนั้นได้แสดงมาแล้วสองหมวดคืออวิชชาและตัณหาปัจจัยประการต่อไปคืออุปาทาน ได้แก่อาการที่จิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายความยึดมั่นถือมั่นของจิตนั้นจะพบว่าเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปทั้งในส่วนที่เป็นสังสารวัตและทั้งในส่วนที่เป็นอารมณ์ปัจจุบันซึ่งบุคคลสามารถสัมผัสได้ในขณะนั้ น, น, น อุปาทานคืออาการที่จิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั้นบางครั้งก็ทรงใช้คำว่าปัญจุปาทานนักขันคือการที่จิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้ง5าว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราซึ่งเป็นความทุกข์โดยสรุป อย่างที่ทรงแสดงไว้ในบทธรรมบัชฑาแต่อุปาทานซึ่งจะกล่าวในที่นี้เป็นการกล่าวจำแนกประเภทตามที่ทรงแสดงไว้สีประการคือกามุปาทานจิตที่ถือมั่นด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่กิเลสสายที่ ให้ใจของบุคคลใครปรารถนาต้องการในอารมณ์ต่างๆนั้นก็คือกิเลสสายโลภข้อนี้พึ่งเห็นว่าบางครั้งบางคราวก็เป็นปัจจัยของการไะไกันเช่นว่าเมื่อบุคคลเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วใจก็ไปกำหนดหมายว่ารูปนั้นสวยเกิดความทะเยอทะยานอยากได้ ในอารมณ์หลนั้นก็เป็นอาการของกามาตัญหาเมื่อมีการแสวงหาจนได้มาครอบครอมแล้วครอบครองแล้วจิตก็จะไปะยึดเหนี่ยวเอาในรูปนั้นว่าเป็นของเราด้วยอํานาจความใคร่เมื่อความใคร่ความพอใจในรูปยังมีอยู่ความหวงการป้องกันการรักษาความสนีทในสิ่งเหล่านั้นก็จะบังเกิดขึ้น เนื่องจากจิตของบุคคลยังมีเชื้อทั้งกิเลสและตัณหาอุปาทานหยุบความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวใคร่ก็บังเกิดขึ้นอู่เรื่อยไป ล, ลักษณะของจิตที่ยึดติดในอารมณ์ต่างๆจึงอุปมาเหมือนว่านอนหรือเหมือนปริงว่านอนนั้น จะ ต, ต้องมีการจับกิ่งไม้วางกิ่งไม้อยู่เรื่อยไปจับกิ่งนี้วางกิ่งโน้นจับกิ่งโน้นวางกิ่งนี้ความยึดถือที่เกิดขึ้นในวัตถุกรรมของบุคคลทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นใจก็จะไขว่คว้ากำหนดหมายว่าเป็นของเราของเราอยู่รำไปพระตถาจารย์ได้ยกตัวอย่างนกชนิดหนึ่งเรียกว่า นกไมฮะกะซึ่งแปลว่าของเรานกชนิดนี้จับที่ต้นไม้ใดก็ตามจะร้องว่าของเราอยู่รังไปแล้วแกก็บินไปเรื่อยๆแล้วก็ร้องไปเรื่อยๆแต่ก็จริงแล้วไม่มีต้นไม้ใดที่เป็นของแกอย่างแท้จริงแกต้องทิ้งต้นไม้เหล่านั้นไปโดยดําดับ เพราะฉะนั้นอาการของจิตที่ยึดติดในอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิน่นรสพุถุะหรือธรรมารมก็ตามซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือเรื่องรูปนามที่บุคคลไปกำหนดหมายว่าเป็นของเราด้วอมนาความคลายนั้นเป็นเพียงชั้นสมมุติชั้นบัญญัติเท่านั้นแต่ว่าชั้นความจริงที่แท้จริงแล้ว ไม่มีความเป็นของเราอยู่ในสิ่งเหล่านั้นการพรากจากระหว่างเรากับสิ่งที่สมมติว่าเป็นของเราพร้อมที่จะอุบัติบังเกิดขึ้นทุกขณนะซึ่งเรื่องนี้ผู้มีปัญญาย่อมพิจารณาเห็นได้ไม่ยากนะลักษณะของจิตที่เป็นเหนียวอารมณ์ด้วยความยึดติดเช่นนั้นย่อม มีความเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่ตนไปกำหนดและตามลักษณะแห่งกิเลสที่บังเกิดขึ้นเช่นว่าเมื่อสิ่งนั้นมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปความเศร้าโศกความเสียใจปริเวทนาการคลั่งครวญต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อรูปนั้นยังดำรงอยู่ก็มีการหัวงแหนมีการรักษามีการป้องกัน ถ้าใครมาล่วงเกินสิ่งที่ตนเป็นกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจก็ยึดจิตว่าเป็นของตนอยู่การต่อสู้การป้องกันการรกคาจนถึงกับล้มตายลงก็พร้อมที่จะบังเกิดขึ้นนี่คืออะไรนี่คือตัวอุปาทานได้แก่จิตที่เข้าไปยึดถือในอารมณ์หลดนั้ น, น, นเอง และสาบใดที่ยังมีอุปาทานคือความยึดติดอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายชั้นของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็จะต้องเวียนว่ายอยู่ร่ําไปในชั้นของขณะแห่งอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นบุคคลก็จะสังเกตได้ว่าความรู้สึกที่เป็นเหตุให้เกิดการมุปาทาน คือกิเลสสายโทสะประเภทความยินดีความพอใจความพอใความชอบใจความเพลิดเพลินความกำนัดความรักใครตลอดถึงอภิชาความเพ่งเล็งโลภอยากได้ในอารมณ์ทั้งหลายก็ย่อมจะมีอยู่จากนั้นแต่ทุกครั้งที่เกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกก็เป็นหนามสิ่งที่ไปยึดถือไปไขว่คว้าว่าเป็นของเราก็เป็นรู้ รูปนามก็เกิดขึ้นกันอยู่ทุกขณะแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วก็เพราะเชื้อความพอใจเอาไว้ภายในจิตพร้อมที่จะให้ไขว่คว้าอารมณ์เหล่านั้นอยู่ร่ําไปการที่บุคคลจะเพียนพยานตอบสนองความต้องการของตนในอารมณ์ที่ใคร่จึงมีไม่ได้จึงอิ่มไม่ได้คําว่าพ อ, พอคําว่าอิ่มคำว่าหยุดคําว่ามี จึงไม่อาจที่จะบังเกิดขึ้นหรือแม้จะบังเกิดขึ้นได้ก็เป็นการเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอยู่เรื่อยไปประการต่อไปท่นานใช้คาว่าทิฏฐุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิคาว่าทิฏฐิที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นนั้น เป็นตัวความคิดเห็นที่บุคคลปักใจเชื่อลงไปแล้วก็มีความมั่นใจในความเชื่อถือเหล่านั้นกลายเป็นอุปท า, านที่น่าห่วงมากบางครั้งคนบางคนยึดติดในทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วไม่ยอมปล่อยวางในทิฏฐิเหล่านั้นทั้งๆ ท, ที่ว่า มองเห็นสิ่งอื่นที่ดีกว่าประเสริฐกว่าก็ไม่ยอมละวบังอย่างทํานองที่เขาเล่าถึงบุคคลสองคนเดินทางไปในป่าเริ่มต้นจริงๆก็พบบาตแล้วก็กลายมาเป็นพบได้พบผ้าพบเงินพบทอง คนที่ไปยึดติดในป่านอยู่นั้นไม่ยอมเปลี่ยนแบกป่านจนมาถึงบ้านอีกคนหนึ่งเริ่มเปลี่ยนไปโดยลาดับเพราะมีการกาหนดคุณค่าว่าได้นั้นมีค่ากว่าป่านผ้านั้นมีค่ากว่าได้เงินมีค่ากว่าผ้าทองมีค่ากว่าเงินแล้วแกก็ทิ้งสิ่งเหล่านั้นโดยลาดับเมื่อมาถึงบ้าน คนที่ยึดติดในป่านก็คงมีป่านกลับมาตีคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาด้วยกันและพบเห็นสิ่งต่างๆมาด้วยกันกลับได้ทองซึ่งเป็นของมีค่ามาจากตัวอย่างที่ท่านเล่าว้นนี้เป็นการเชีย้เห็นว่าทิฏฐิคือความคิดเห็นที่บังเกิดขึ้นปักใจฝังใจบุคคลอยู่นั้นเป็นตัวการสาคัญที่ ทำให้บุคคลไม่อาจจะสลัดหลุดไปได้ทิฏฐิใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิในส่วนที่เกี่ยวกับสังสารวัตนั้นทรงจําแนกไว้สองฝ่า ย, ยฝ่ายหนึ่งถือว่าโลกเที่ยงหมายความว่าใครจะเกิดเป็นอย่างไรก็เกิดเป็นอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าแนวความคิดนี้แบ่งออกเป็นสองแนว คือแนวหนึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงและแนวหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบ้างความเห็นประเภทที่สองถือว่าชีวิตจบสิ้นลงที่เชิงตะกอนคนเราเกิดมาคนเดียวก็ตายคนเดียวทิฏฐิทั้งสองประการนี้จะพบว่าทิฏฐิประเภทที่สองเป็นอันตรายมากเพราะเมื่อคนเราไม่ยอมรับความมีอยู่ของสังสารวัฏ และการเวียนว่ายตาเกิดน้ำการกระทำความดีประเภทต่างๆก็ไม่มีความจาเป็นอะไรเพียงแต่หาความสุขสนุกสบายในชาติปัจจุบันให้ได้แล้วก็เป็นการเพียงพอทิฏีิทั้ง2ประการจึงสร้างภาวะชะงักงนันในการเก็บการสะสมความดีซึ่งทางสำนวนศาสนาเรียกว่า เป็นสเสบียงเลี้ยงตนไปในสัมปราจะภูปลายภาคหน้าทิฏฐิอีกกลุ่มหนึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรรมซึ่งพระพุทธศาสนาเรียกว่านิยตะมิจฉาทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิที่เลียงแท้แน่นอนลงไปปักดิ่งลงไปไม่ยอมสลายและเป็นอันตรายอย่างรุนแรงสำหรับคนที่ยังยึดติดอยู่ ถ้าเปรียบเทียบระหว่างทิฏฐินี้กับกรรมอย่างหนักที่เรียกว่าอนันตรีกรรมแล้วทิฏฐิสามประเภทนี้หนักกว่าอนันตรีกรรมคือประการแรกเรียกว่าอกุริยะทิฏฐิเป็นการปฏิเสธการกระทาทั้งหมดทั้งดีและไม่ดีว่าไม่เป็นการกระทาคือไม่ยอมรับความมีอยู่ของกรรมนั่นเอง การที่2เรียกว่าเหตุกุกทิิทิฏฐิปฏิเสธตัวเหตุที่ให้เกิดผลในลักษณะต่างๆโดยไม่ยอมรับว่าผลที่ปรากฏขึ้นที่เกิดขึ้นนั้นมาจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งและนักติกาทิฏฐิกลุ่มนี้ปฏิเสธหมดทั้งกรรมทั้งสังสารวัฏ ทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นเพราะฉะนั้นทิฏฐิทั้ทททททททงสองประการนี้ทางพระพุทธศาสนาจึงเรียกว่าวัตขานุคือเป็นหลักตอนในวัตตโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าไปพัฒนาชีวิตจิตใจสร้างบารมีเพื่อทําพบชาติในประนิพพานนั้นก็มีไม่ได้เราก็ปฏิเสธหมดแล้ว ญัติิติอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ถึงกับรุนแรงอย่างนั้นแต่ก็เป็นขวากหนามที่ทำให้ผู้ปฏิบัติไปยึดติดอยู่ในอารมณ์ต่างๆนั่นก็คือสักกายติิติสักกายติิติแปลว่าความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตน ถ, ถือเราถือเขาจนแบ่งเป็นพวกเราพวกเขาขึ้นมา สกายาทิฏฐิในลักษณะนี้เมื่อจำแนกแสดงออกไปแล้วมีถึง20ลักษณะด้วยกันเป็นรายละเอียดที่จะต้องวิเคราะห์ด้วยจิตตึงสงบกร ด, ดูสภาพจิตของตนในขณะนั้ น, นว่าตนมีความเข้าใจในนามรูปอย่างไรคือเมื่อล่าวโดยสรุปแล้ว บุคคลมีความเห็นในนามรูปคือในขันทั้งห้านั้นไปสีแนวด้วยกันคือเห็นว่าตนเป็นรูปหรือบางพวกก็เห็นว่ารูปเป็นตนบางคนก็เห็นว่าตนมีในรูปบางคนก็เห็นว่ารูปมีในตนพอมาถึงเวทนาสัญญาสังขารบิญยาณก็มีความเห็นในลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความเห็นที่ออกไปสี่แนวอย่างนี้ เมื่อไปคูณกับฐาาก็กลายเป็น20สแนวด้วยกันเป็นอาการที่ละเมียดละไมแต่ก็ฝังใจอยู่ในอารมณ์ตอนนั้นเช่นว่าถือว่าตนเป็นรูปก็มีความผูกพันมีความเยื่อใจอยู่ในตนกันในรูปก็ถือว่าเป็นอันเดียวกันแล้วก็พร้อมที่จะนําไปสู่ความเห็นว่าโลกเที่ยงใด หรือว่าถือว่ารูปเป็นตนก็จะให้ความสําคัญแก่รูปร่างกายของตัวเองแทนที่จะมุ่งพัฒนาเปลี่ยนแปลงจิตใจของตนให้มีความสะอาดสงบขึ้นแต่กลับให้ความสาคัญแก่รูปเป็นตนและความเห็นบางอย่างเป็นความเห็นที่ปากลงไปเลยว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงจริงสิ่งอื่นไม่จริง เรียกว่าสัจจาอภินิเวศะซึ่งการปักใจในลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นได้แม้แก่ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมะตัวอย่างเพึ่เห็นได้เช่นละการปฏิบัติกรรมฐานในส่วนที่เป็นสมถะคือทำใจใสงบนั้นแท้จริงแล้วอารมณ์คือตัวที่จะให้จิต เป็นตัวเกาะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนั้นทรงแสดงไว้ถึง40ประเภทด้วยกันใครจะไปจับเอาอารมณ์ใดามาปฏิบัติก็ได้ขึ้นอยู่กับธรรมส ป, ปายะคือธรรมนั้นเป็นที่สบายโน้มน้อมเข้าหาความสงบสำหรับบุคคลผู้นั้นแต่ถ้าใครไปปักใจลงไปว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้อง มันก็กลายเป็นทิฏฐิเป็นความดื้อรัน้นเป็นความหลงคืออารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานที่เจริญกันเนี่ยมันมีทั้ง72อารมณ์ด้วยกันซึ่งใครจับก็ที่ตรงใดก็ได้อาจจะดูที่ขันหอายตนา12ถ้า18อินทรีย์22อริยสัจสปฏิจจสมุปบาทแต่ละจุดก็ได้เมื่อเห็นประจักษ์ชัดในส่วนใดแล้ว ก็จะโยงความคิดเข้าหาในจุดอื่นได้ทั้งหมดเลยยานที่เคยกล่าวไว้ว่าโบราณท่านสอนให้กําหนดปีนิพพิจาขันห้าเชิญยกรูปขึ้นมาพิจารณาก็พิจารณาว่าว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปใดเป็นทุกข์รูปนั้นใจตัวใ่ตน รูปใดใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราเพระเนาะฉะนั้นเมื่อเห็นที่รูปได้ปัญญาประจักษ์ชัดขึ้นที่รูปได้มันก็โยงเข้าไปในส่วนนามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แล้วจะมองเห็นขันห้าวศักดิ์แต่ว่าขัานห้าเท่านั้นแม้ว่าขัานห้านในอดีตอนาคตปัจจุบันหยาบละเอียดเลพระณีตใกลใกล้ก็ตาม สรุปแล้วก็คือขันธ์ห้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใจาไปปักลงว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างองื่นไม่ใช่แล้วก็เป็นทิฏฐิเป็นความดื้อรั้นชนิดหนึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่านักปราชญ์ในสมัยโบราณท่านหนึ่งที่ท่านถูกทิฏฐิเนี่ยกันดารคือทิฏฐิเกี่ยวกาะเอาไว้ขังท่านเอาไว้ให้ติดอยู่ ในความเห็นที่ร้ายเหตุผลของท่านโดยยอมตายอยู่กับความเห็นเหล่านั้นนั่นก็คือท่านสัญชัยปริพาชกท่านยอมรับการจัดสรูปความเป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ทุกกรณีแต่เมื่อลูกศิษย์คือพระสารีบุตรไปชวนให้มาบวชในสำนักพระพุทธเจ้าโดยการท่านกลับบอกว่าท่านไปไม่ได้การไปของท่านก็เหมือนกับ น้ำไหวในตุ Walker, is, ifer, ่มหรือว่าจับเจอร์เคนไปใส่ตุ่มท่านอื่นอาจขัดข้องท่านอยู่เป็นลูกศิษย์คนอ่ดไม่ได้เมื่อภาษาริบุตรเสนอฟังว่าอาจารย์เวลานี้พระพุทธเจ้าสัตรุแล้วคนเป็นอันมากไปสู่สำนักพระพุทธเจ้ากันอาจารย์จะทำยังไงท่านก็กลับตั้งคำถามซึ่งออกจากขมข่ายมากว่าในโลกนี้คนโง่มากหรือคนฉลาดมาก ภาษาลิบุตรก็เรียนว่าคนโง่มากคนฉลาดน้อยท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรคนฉลาดฉลาดจะไปหาปัสมณัโคโดมผู้ฉลาดส่วนคนโง่โง่ก็จะมาหาฉันซึ่งเป็นคนโง่เนี่องว่าคนโง่มากกว่าเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถอยู่ได้แต่ว่าลาบสักการะชื่อเสียงเกียรติยศนั้นไม่ใช่ตัวสาระแก่นสารของชีวิตที่แท้จริงแต่ท่านกลับยอมตายอยู่กับสิ่งเหล่านั้น อาศัยการห้อมล้อมความเคารพนับถือจากคนโง่แทนที่จะออกบวชบำเพ็ญเพียรเพื่อสลัดกิเลสบาปรธรรมต่างๆออกไปจากใจิตใจของตนนั้นความยึดถือด้วยอำนาจของทิฏฐิบางครั้งบางคราวก็นำไปสู่ความแตกแยกกันอย่างรุนแรงและก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นได้อย่างสํานวนที่เราพูดกันในปัจจุบันก็คือทัศนะไม่ตรงกันหรือความเห็นไม่ตรงกัน ก็ได้แก่ความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตนขอ ง, ของบุคคลแต่และฝ่ายนั่นเองประการต่อไปคืออัตตวาทุปาทานแปะว่ยึดถือวา่าว่าทว่าตนตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเป็นอย่างน้นจนถึงกระตนเป็นรูปรูปเป็นตนตนมีในรูปรูปมีในตนอย่างที่กล่าวในตอนตอนคนเราเมื่อไปยึดถือในตน ก็จะให้ความสําคัญแก่ตนเองลักษณะที่เป็นภัยซึ่งเห็นได้ในชีวิตประจำวันก็คือว่าเวลาจะตัดสินปัญหาอะไรแทนที่จะหาข้อยุติด้วยเหตุด้วยผลหรือความถูกต้องตามหลักของธรรมะตามหลักของศีลธรรมแต่จะใช้หลักอัตตาที่ปตยคือถือตอนเองเป็นใหญ่ชี้ผิดชี้ถูกกันด้วยความสํานึกของตัวเองจะถูกจริงผิดจริงก็ไม่รู้ ลักษณะความคิดในแนวนี้จึงออกเจดเสี่ยงอยู่มากสำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมข้าตํานองที่โบราณท่านพูดไว้คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนได้ดังนั้นอัตวาธุปาทานแม้ในรูปที่หยาบหยาดัานที่กลาวไปแล้วก็กลายเป็นความยึดความติดที่เป็นพิษเป็นภยัยแก่บุคคลผู้นั้นในเบื้องต้น และพร้อมที่จะแพร่ขยายพิษนั้นออกไปให้เป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นอุปทานประการต่อไปคือศีลพัตตุปาทานแปลว่าการถือมั่นในศีลในวัดในข้อปฏิบัติต่างๆซึ่งบางครั้งบางคราวเป็นจารีบประเพณีที่เคยนิยมประพฤติกันมาแต่หากว่าทำไม่ถูกต้อง ตามประเพณีที่นิยมกันก็เดือดร้อนกังวลใจมีตกไปด้วยประการต่างๆกลัวจะเกิดเป็นอันตรายขึ้นมาเป็นต้นบางครั้งก็เป็นการกำหนดเอาในแนวใดแนวหนึ่งซึ่งความรู้สึกเหล่านี้พร้อมที่จะสร้างความวิตกกังวลเดือดร้อนให้นั้นแนวหนึ่งจะยกตัวอย่างว่าพิธีกรรมอย่างหนึ่ง เชื่อถือกันมาว่าจะต้องทําอย่างนี้จะต้องมีทูบเทียนเท่านั้นดอกเท่านี้ดอกดอกไม้เท่านั้นดอกเป็นต้นพอมันพลาดไปสักอย่างหนึ่งจิตใจไม่เสงบไม่สบายเพราะว่าทําอะไรมาไม่ถูกหรือว่าบางครั้งบางคราวก็ไปยึดถือในแนวอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเช่วนว่าความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้ความบริสุทธิ์เพราะจะจะเกิดขึ้นเพราะการไม่บริโภคเนื้อสัตว์ หรือว่าบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นเพราะรับประทานผักหญ้าด้วยการทรมานร่างกายโดยนอนคลุกทุลีโดยนอนคลุกฝุ่นเป็นต้นอะไรต่อะไรเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นเป็นวัดปฏิบัติที่เชื่อกันว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องแล้วก็งงงายไม่พร้อมที่จะใช้เหตุผลเป็นเครื่องพินิจพิจารณาอย่างยกตัวอย่างว่า ความคิดที่ว่าความบริสุทธิ์จะมีได้เพราะการงดเว้นไม่บริภุกเนื้อสัตว์ตรงนี้ก็หยุดความคิดไว้แค่นั้นโดยไม่คิดเลยไปถึงกฎเกณฑ์ของความจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาบน้ำอยู่ที่แม่น้ำโผการับสั่งถามว่าทำไมอาบน้ำกันทำไมท่านบอกว่าล้างบาปรับสั่งถามว่า หมายความว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายถ้าลงไปอาบน้ําในแม่น้ําผูกาแล้วก็จะหมดบาปอย่างนั้นเด็ก็ก็ตอบว่ใช่รับสั่งย้อนถามว่าเมืหมดบาปแล้วจะเป็นอย่างไงก็าบอจะไปบังเกิดในโซรันพระพุทธเจ้าก็ส่งขโมดในเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงถ้าเป็นอย่างนั้นจริง สัตว์น้ําพวกปูพวกปลากุ้งเต่าหอยเป็นต้นซึ่งอยู่เป็นน้ําตลอดอยู่ในน้ําตลอดเวลาเกิดมาในน้ําก็ต้องไม่มีบาปเมื่อไม่มีบาปเวลาตายไปแล้วสัตว์พวกนี้ก็คงจะมีโอกาสขึ้นสวรรค์มากกว่ามนุษย์เพราะมนุษย์งงยังไงยังไงจะอยู่ในน้ําตลอดไปไม่ได้นี่คือหลักความคิดที่สมเหตุสมผลไม่ไปยึดติดในรูปแบบความคิดต่างๆ ซึ่งความเชื่อถือในแนวนี้สมัยก่อนพุทธกาลมีอยู่มากตำนานที่เกี่ยวกับชาดกท่านเล่าถึงพระโพธิสัตว์ได้ไปในที่สถานแห่งหนึ่งบอกว่าจะนำสาวพรหมจรรีไปบูชาเจ้าสมุทรพระโพธิสัตว์ได้เข้าไปในสถานที่นั้น บอกว่ามันไม่แน่หรอกจะเอาผู้หญิงคนนี้ลงไปบูชาเนี่ยพระเจ้าสมุดจะชอบหรือไม่ชอบเพราะ ง, งั้นก็ขอให้เจ้าพิธีเนี่ยลงไปถามเจ้าสมุดสักก่อนว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วจึงจะบูชาพิธีค่อยบูชาเวลาคนที่ลงไปขึ้นมาสักก่อนก็ปรากฏว่าลงไปแล้วมันก็ไม่ผุดมาหรือว่าบางครั้งบางคราวท่านก็ตั้งปัญหาคิดว่า ถ้าหากว่าการฆ่าคนไปแล้วคนตัวนี้จะมีความสุขอยู่ในสูงสวรรค์เนี่ยแล้วพ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านที่กําลังประสบความทุกข์อยู่ทำไมท่านไม่ฆ่าให้ท่านไปเกิดในสวรรค์นี่คือความคิดที่สมเหตุสมผลลักษณะของความยึดติดแบบอุปาทานนั้นเป็นอาการของโมหะที่ขึ้นกลุ่มรุมใจบ้างด้วยอํานาจของโลภะบ้าง แต่ไยงไก็ตามความยึดติดเป็นตัวที่สืบเนื่องมาจากวิชาตัิหาและอุปาทานกลายเป็นวัตจักของกิเลสเมื่อบุคคลไม่รู้สิ่งหนึ่งไม่รู้ถึงสภาวะที่แท้จริงของสิ่งหนึ่งก็เกิดกระสันอยากเป็นตันหาเมื่อได้มาแล้วก็เป็นอุปาทานความยึดติดในเรื่องเนั้น เพราะฉะนั้นความยึดความถือในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะออกมาในลักษณะใดก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นทางให้เกิดความทุกข์ทั้งนั้นบุคคลใดที่ปล่อยวางได้มากความทุกข์ก็จะน้อยถ้าปล่อยวางได้หมดความสุขเต็มที่ก็จะบังเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลผู้นั้น อย่างไรก็ตามในชั้นของการดำรงชีวิตนั้นบุคคลควรจะรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักว่างในบางโอกาสเพื่อจะบรรเทาความทุกข์ไม่ให้กรุ่มรุมใจจนเกินไปดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่เฉรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใจใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจ เราอยากได้ความสุขหรือทุกขน์นะซึ่งเป็นคำถามที่ผู้ปฏิบัติธรรมะจะต้องแสวงหาคามตอบคำตอบด้วยตัวเองว่าอุปาทานทุกรูปแบบนั้นไม่เป็นผลดีแก่ผู้ที่มีอุปาทานในเรื่องนั้นๆเลยเพราะว่าสิ่งทังางยที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไว้นั้นจะไม่มีโทษเป็นนันไม่มีเลยในโลกนี้ต่อตากนี้ไป ข็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบตอบ